เน่ก็ขึ้นวิสุทธิที่สามนะถ้านับทิฏฐิวิสุทธิเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วทิทฐิที่หนึ่งคือสีลวิสุทธิวิสุทธิที่หนึ่งะคือสีลวิสุทธิวิสุทธิที่สองคือจิตตะวิสุทธิวิสุทธิที่สามคือทิฐิวิสุทธิวิสุทธิที่สี่ กังขาวิตรณวิสุทธิวิสุทธิที่5มคามัคคาณทัทสนวิสุทธิวิสุทธิที่6ปฏิปทาญาทัทสนวิสุทธิและวิสุทธิสุดท้ายคืออริยมรคนั้นเป็นชื่อของญาทัทสนวิสุทธิดูนะยาณทัทสนวิสุทธิก็คืออริยมรคนั่นเองัตอนนี้ก็ถือว่าได้ระหว่างกลางคางแล้วนะโดยการศึกษานี้ก็ทิ้งต่างว่าเป็นจูลโสดาบัน โดยการเรียนนะโดยสุตะโดยการปฏิบัติก็ของไผก็ของไผส่วนญาณที่ตั้งอยู่รู้ธรรมะที่เป็นทางและไม่ใช่ทางอย่างนี้ว่านี้เป็นทางนี้ไม่ใช่ทางดังนี้ชื่อว่ามัคคามัคญ า, านนณทัศนวิสุทธิมาจากมัคคะแปลว่าทางอมัคคะแปลว่าไม่ใช่ทางมัคคามัคะมาจากคำว่ามัคคะบวกอะมัคคะ ก็มาสนทิการกลายเป็นมัคคามัคะ น, น, นะแปลว่ายานที่ความรู้ความเห็นที่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางอันภิกษุผู้ต้องการทำมัคามัคยาณทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมเพึงทุเพ่งทำความพยายามในในยยวิปัสนาที่นับว่าเป็นการพิจารณากราบก่อน คือใครที่ประสงค์จะเจริญวิสุทธิระดับสูงเนี่ยนะคือมัคคามัคคยานัศสนวิสุทธินั้นจะต้องพยายามในในยยวิปัสนานยยวิปัสนากับมีอยู่สองคำนะสองคำคือคำว่านยยวิปัสนาเนี่ยนะ กับกลาปะสัมมสนาะนยาวิปัสสนานั้นเป็นภาษาเรียกของชาวศรีลังกาชาวศรีลังกาเขาชอบเรียกว่านยาวิปัสนานยะของวิปัสนาถ้าแปลตามศัพท์บริบูรณ์ก็คือวิธีการต่างๆของวิปัส น, นาการพิจารณากราบตัวนั้นเนี่ยนะกลาปะสัมมสนาะมาจากคําว่ากลาปะสัมมสนาะ อันนี้เป็นภาษาที่ชาวอินเดียนิยมเรียกในสมัยนั้นแต่จริงสิ่งเดียวกันพิจารณากราบคำว่าพิจารณากราบกับคำว่านยะวิปัสนาเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนยะวิปัสนาชนชาวสีลังกาชอบเรียกชาวสิงห้โนชาวเกาะนะส่วนพิจารณากราบอันนี้เป็นคำของชาวชมพูทวีปหรือชาวอินเดีย ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะมคามัคคายาณทัศนะจะเกิดแก่พระโยคาวจรผู้ปราบวิปัสนาได้ในเมื่อมีวิปสัสโนปกิเลสมีโอภาสคือแสงสว่างเป็นต้นเกิดขึ้นต่อเมื่อวิปสัสโนปกิเลสเกิดขึ้นแล้วนะจึงมาค่อยแยกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางถ้าวิปสัสโนปกิเลส10ประการยังไม่เกิดไปแยกอะไรไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทาง อะไรเป็นมรรคอะไรไม่ใช่มรรคพันจะต้องจำแนกแยกแยะหมายความว่าจะต้องคอยให้วิปัสสนุปกิเลสเกิดก่อนอวิปัสสนูปกิเลสนี่หมายความว่า ว, วิปัสนาที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเนี่ยนะหรือเกิดปรากฏการขึ้นเมื่อเจริญวิปัสนาไอสิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเพราะฉะนั้นจะต้องคอยให้ปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อน จึงจัดกำหนดว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางทีนี้ข้อปฏิบัติอย่างไรจึงจะปฏิบัติให้วิปัสสนูปกิเล์เกิดขึ้นละ่ะอันนั้นแหละคือข้อปฏิบัติที่สำคัญมากข้อปฏิบัติที่จะทำให้วิปัสสนูปกรลสเกิดไอข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยชาวศรีลังกาเรียกว่านยาวิปัสนาชาวอินเดียเรียกว่ากลาปสัมมสนนนะ จึงอยู่เมื่อวิปัสนูปะกิเลธทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วพระโยคาวจรผู้ปรารบวิปัสนาจึงจึงจะมีมัคคามัคยานได้คือยานานที่กำหนดอะไรเป็นทางและมิใช่ทางก็การพิจารณากลาบเป็นเบื้องต้นของวิปัสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไขกลาปะสัมมสนญญ า, านเนี่ยเอาไว้ก่อนอะไร เอาไว้ก่อนมาาัคคามัคคยาณทัศ น, นวิสุทธิถ้าไล่เป็นลําดับจะเป็นอย่างนี้นะข้อแรกก่อนที่ทีวิสุทธิใช่ไหมข้อ2อตังขาวิตรณวิสุทธิข้อสกลาปสัมมสัญากลาปะสัม ม, ส น, ส, ม, มสนาหรือนิยวิปัสนาเมื่อเจริญกลาปะสัมมสนาหรือนิยวิปัสนาแล้วมาาัคคามัคคยาณทัศ น, นวิสุทธิจึงจะเกิดในทีหลัง อีกในหนึ่งเพราะเหตุที่เมื่อตีรณปริญญาเป็นไปอยู่กลาปะสัมมสนาในยวิปัสนาคือตีรณปริญญาเมื่อตีรณปริญญาเป็นไปอยู่มัคคามัคยานจึงจะเกิดขึ้นยานที่กําหนดว่าเป็นมัคและไม่ใช่มัคจึงจะเกิดขึ้นได้ก็ตีรณปริญญามีต่อจากยาตะปริญญา เพราะแม้เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรผู้ต้องการจะทำมัคามาัคคะยาณทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมพึงทำความพยายามในการพิจารณากราปะก่อนเถิดล ด, ลดเสียงนิดหนึ่งมันมันหอนมันข้อปฏิบัติที่ที่สำคัญที่จะต้องเจริญตอนนี้เนี่ยนะหมายความว่าเจริญหลังจากที่ทำยาตะปริญญาเต็มแล้ว ยาตะปริญญานั้นเต็มบริบูรณ์ที่ไหนที่ไหนที่ยาตะปริญญาเต็มบริบูรณ์ะ น, นะสามารถกำหนดรู้จุติและปฏิสนธิได้ขณะเดียวกันถ้ารู้จุติปฏิสนธิรู้ถึงกรรมที่นำจุติและปฏิสนธิไหมรู้เนี่ยนะก็มีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างดีเมื่อมีความรู้เหล่านั้นดีพร้อมแล้วเชื่อว่ายาตะปริญญานี้เต็มบริบูรณ์แล้ว เมื่อยาตะปริญญาเหล่านี้เต็มบริบูรณ์พึงทำความพยายามในการพิจารณากราปะหรือในยะวิปัสสนานั่นเองที่จริงสัมมาสนญญ า, า น, นี้ไม่เป็นวิสุทธิแม้แต่วิสุทธิเดียวนะสัมมาสนญญานนะไม่สงเคราะห์ลงวิสุทธิเจ็เลยแต่อยู่ก่อนที่จะเกิดมคามคะายานทัศนวิสุทธิต่อไปนี้เป็นคาวินิจฉัย ในปริญญาเหล่านั้นก็คาว่าปริญญานี้เพิ่งมาใช่ไหมเป็นความจริงว่าโลกิยะปริญญาคือปริญญากิจที่เป็นโลกิยาเนี่ยนะปริญญาโลกิยะปริญญานี้หมายถึงเป็นปริญญาโดยอารมณ์คือเข้าไปวิจัยอารมณ์จริงๆแต่ในถ้าในขณะมรกเนี่ยปริญญามีนิพานปริญญานี่มีนิพานเป็นอารมณ์ทากิจกาหนดรู้อย่างอื่นโดยกิจ ซึ่งเราจะเรียนถึงต่อไปข้างหน้าโดยสรุปนั้นโลกิยะปริญญามี3อย่างคือมี 1. น่ยาตะปริญญา 2. ตีรณะปริญญา 3. ปหานะปริญญาคือนี่พูดโดยสรุปโดยสรุปว่าปริญญามีอยู่3ประการด้วยกัน 1. น่ยาตะปริญญาสองตีรณะปริญญา 3. ปหานะปริญญา อธิบายว่าปริญญาที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักนะว่าอภิญญาปัญญาชื่อว่ายานเพราะอัว่ารู้ปริญญาปัญญาชื่อว่ายานเพราะอัฏฐาวาพิจารณาปหานะปัญญาชื่อว่ายานเพราะอัฏฐาวาบริจาคเนี่ยนะบริจากก็คืออภิญญาปัญญายาตั ด, ตดเถยานัง ปริญญาปัญญาตีรณัดเถยานังปหานะปัญญาปริจจาคัตเถยานังนั้นอภิญญาปัญญาก็คือคืออะไรคือยาตะปริญญาอภิญญาปัญญาเนี่ยนะปัญญาที่รู้ยิ่งอ่ะนั่นแหละคือยาตะปริญญาส่วนปริญญาปัญญาตัวนั้นอ่ะเป็นชื่อของตีรณปริญญาปหานะปัญญานั้นเป็นชื่อของอภินะปริญญาก็ตรงตัว ท่านอธิบายว่าอภิญญาปัญญานั้นเนี่ยนะมุ่งหน้าต่อยายธรรมเพราะกําหนดสภาวะลักษณะลักษณะของยาตะปริญญานั้นเน้นไปที่การกําหนดสภาวะลักษณะเป็นหลักกําหนดลักษณะลักษณะของอะไรกําหนดลักษณะของนามรูปกําหนดลักษณะของขันกําหนดลักษณะของธาตุกาหนดลักษณะของยตนะ กำหนดลักษณะของปัจจัยของนามรูปกำหนดปัจจัยของขันห้าเป็นต้นเนี่ยนะก็คือการก็อย่างที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละชื่อว่าอภิญญาปัญญาปัญญาที่รู้ยิ่งเนี่ยนะส่วนปริญญาปัญญาตัวนั้นเนี่ยนะปริญญาตัวนี้มาจากคาว่ากาหนดรู้ลักษณะมีอนิจจาลักษณะเป็นต้นยตะปริญญานั้นเน้นการพิจารณาสภาวะเป็น เป็นใหญ่สภาวะลักษณะเป็นใหญ่หรือปัจจตลักษณะเป็นใหญ่ส่วนปริญญาปัญญาหรือตีรณะปริญญานั้นเน้นพิจารณาสามั ญ, ญลักษณะเป็นใหญ่อย่างที่เรารู้กันว่าสภาวะธรรมมีสองอย่างหนึ่งปัจจตละสภาเะหนึ่งปัจจตลักษณะเอาใหม่นะ ลักษณะของธรรมเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างข้อหนึ่งปัจจัตลักษณะหรือสภาวะลักษณะข้อสองสามัญลักษณะหรือที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์ยาตะปริญญานั้นกำหนดรู้ปัจจัตลักษณะกำหนดรู้สภาวะลักษณะคือเข้าไปรอบรู้โดยลักษณะเข้าไปรอบรู้โดยสภาวะส่วนตีร ะ, ะปริญญาเนี่ยเข้าไปกำหนดรู้โดยไตรลักษ คือกำหนดรู้ที่อนิจจาลักษณะทุคลักษณะและอนัตตลักษณะนั่นเองส่วนปหาตะปะหาณะปัญญาหรือปหาณะปริญญานั้น<ม>เน้นละอะไรละวิปปลาธรรมทั้งหลายทีนี้ท่านอธิบายว่าในปริญญาทั้งสามนั้นปัญญาที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับกำหนดลักษณะเฉพาะตนแห่งธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นอย่างนี้ว่ารูปมีลักษณะย่อยยับไป เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์สัญญามีลักษณะจำหมายอารมณ์อนะสังขารมีลักษณะปรุงแต่งสภาวะธรรมเนี่ยนะวิญญาณมีลักษณะรู้แจ้งอารมณนะ์เนี่ยอันนี้ชื่อว่ายาตะปริญญาอย่างที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละอนะอย่างที่เรียนมาแล้วทั้งทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธินั่นแหละคือยาตะปริญญาวิปัสนาปัญญาที่มีลักษณะ คือมีสามัญลักษณะเป็นอารมณ์ที่เป็นไปโดยยกเอาสภาวะธรรมเหล่านั้นนั่นแหละคือสามัญลักษณะลักษณะทั่วไปว่าโรบไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้แหละเชื่อว่าตีรณะปริญญาก็คือการเข้าไปใคร่ครวนสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ส่วนวิปัสนาปัญญาที่มีลักษณะเป็นอารมณ์นั่นแหละที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับละนิจจสัญญาเป็นต้นในธรรมเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าปหาณปริญญาอันนี้หมายถึงปริญญาที่กําหนดอ น, นิจจาลักษณะนั่นแหละแต่ละวิปลาดทั้งหลายละสัญญาวิปลาดละทิฏฐิวิปลาดละจิตตวิปลาดนิจสัญญากับ นิจจะนิจจสัญญาเนี่ยนะความสำคัญหมายว่าเที่ยงกับความเห็นว่าเที่ยงกับความคิดว่าเที่ยงคือวิปลาสเนี่ยนะหนึ่งสัญญาวิปลาสใช่สภาวะมีสาตัวหนึ่งสัญญาวิปลาสสองจิตตะวิปลาสสามทิฏฐิวิปลาสทีนี้วิปลาสสามอย่างเนี่ยนะวิปลาสว่าเที่ยงบ้างว่าทุกว่าสุขบ้างว่าเป็นอัตตาบ้างว่างามบ้าง นะครัว่าโสภวิปลาศโสขาวิประลาชนิจจาวิปปะาและอัตตาวิปปลาศก็เลยว่าวิประลาชสามคูณสี่เท่ากับวิประลาชสิบสองเนี่ยนะก็ปริญญานี้เป็นชื่อของอะไรคำว่าปริญญาเป็นชื่อของปัญญาถ้าปริญญยธรรมไะปริญญยธรรมเป็นชื่อของอะไร อารมณ์ของปัญญาหรืออุปาทานขัน5้นั่นเองอุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นอารมณ์ของปัญญาการพิจารณาขัน5านี่นะด้วยอนุภาพของปัญญาเข้าไปพิจารณา 3, 3อย่างปัญญา3อย่างเข้าไปพิจารณาขันห้คือเข้าไปพิจารณาโดยโดยอะไรโดยาตะปริญญาเข้าไปพิจารณาโดยตีระณะปริญญาเข้าไปพิจารณาโดย ปหาณะปริญญาในปริญญาทั้ง3านั้นปัญญาจับตั้งแตก่กําหนดสังขารจนกระทั่งกําหนดปัจจัยจัดเป็นภูมิของยาตะปริญญาเพราะว่าในระหว่างนี้การแทงตลอดลักษณะเฉพาะตนแห่งธรรมทั้งหลายนั่นเองมีความเป็นใหญ่ก็เน้นไปที่การแทงตลอดสภาวะลักษณะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้น <Ừ. S 1> ไอคำว่ากําหนดสังขารก็คืออะไรสังขารปริเชทะยาน ชื่อที่เราเรียนมาในทิฏฐิวิสุทธิมีหลายชื่อชื่ออะไรบ้างมีชื่ออะไรดูทีในหน้าสามสิบเก้ามีชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิมีชื่อว่านามรูปวัฐานมีชื่อว่าสังขารปริเชตนั้นการกําหนดสังขารข้างบนนี้ยกตัวอย่างนะหน้าหกสิบแปดเนี่ยนะย่อหน้าล่างภาษาบาลีเห็นไหมสังขารปริเฉทโต ก็คือสังขารปริเชษนั่นเองการกําหนดสังขารสมัยใหม่นิยมแปลว่านามรูปปริเชษทยานซึ่งเป็นการเรียกตามวิสุทธิมรักเป็นต้น น, นะแต่ว่าในวิสุทธิมรักษท่านนิยมเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินามรูปวัฐานและสังขารปริเชษยาตะปริญญานั้นมุ่งการแทงตลอดสภาว ะ, ะสภาวะเฉพาะตน เช่นสภาวะของอะไรทั่วในครั้งหนึ่งสภาวะของรูปนามสภาวะของขันห้าสภาวะของอายตนะ12สภาวะของท่าสิบแสภาวะของอินทรีย์อินทรีย์โลกิยะอินทรีย์19สภาวะของทุกขสัตว์สภาวะของสมุทัยสัตว์สภาวะของปฏิจจสมุบาทินะซึ่งสภาวะธรรมเหล่านี้บางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นผลที่เราเรียกว่าปัจจัยแล้ว ปัจจุบันเงนะบางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นผลอันนี้ถือว่าเนื้อหาโดยสรุปของยาตะปริญญาถ้าหากว่ามีผู้ปรารถนาะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำปริญญานี่ทําอย่างไรนะนะทยาตะปริญญานั้นทําอย่างไรเราก็พูดมากี่วันแล้วสี่วันสี่วันนั่นแหละเรียกว่ายาตะปริญญาละ ตอนเย็นวันนี้เน้นมาพิจารณาที่ตีรณปริญญาลักษณะสภาวะของตีรณปริญญาเป็นยังไงบอกว่าส่วนปัญญาจับตั้งแต่พิจารณากลาบกลาปะสัมมาสนาหรือสัมมาสนญญาเนี่ยนะจนกระทั่งพิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งความเกิดขึ้นและความปรารไปอันนี้จัดเป็นภูมิของตีรณปริญญาตีรณปริญญาเนี่ยนะคำนี้ อมความสองยาณะด้วยกันอมความสัมมสนาญาณแล้วก็อมความอุทยพย า, ยานที่เป็นเขาเรียกอะไรนะภาษาตรุณะตรุณ ะ, ณะอุทยพย า, ยานเพราะว่าในระหว่างนี้การแทงตลอดสามัญลักษณะนั่นเองมีความเป็นใหญ่คือใหญ่ในการแทงตลอดสามัญลักษณะนะ แทงตลอดอะไรนะอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตีรณะปริญญานี่เราคงได้ศึกษากาันอย่างกว้างขวางคิดว่าพรุ่งนี้ทั้งวันวันพรุ่งนี้ทั้งวันเลยพูดถึงตีรณะปริญญาเป็นหลักส่วนปัญญาจับตั้งแต่พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งความดับคือพังคยานเนี่ยนะเป็นต้นสูงสูงขึ้นไปไปจนถึงไหน ไปจนถึงโนนโคตรภูยานเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะนี้อมความไปจนถึงโลกุตระนู่นแหละเออขอจนถึงโคตรภูยานที่นี้ถามว่าพังคยานนี้เป็นลักษณะอะไรก็คือเป็นลักษณะของอนุปัสนาเจท่านบอกว่าจำเดิมแต่นั้นอ น, อนุปัสนาเจ อันให้สําเร็จการละนิจจะสัญญาเป็นต้นอย่างนี้ว่าอานิจจานุปัสสนานะโดยชื่อก่อนหนึ่งอานิจจานุปัสสนานุปัสสนาเจ็ดโดยชื่อหนึ่งอานิจจานุปัสนาสองทุกขานุปัสนาสอนัตตานุปัสนาสี่นิพพานุปัสนาห้าวิราคานุปัสนาหนิโรธานุปัสนาเจปฏิเิสคานุปัสนาแปลว่า เมื่อพิจารณาเห็นเนืองๆว่าไม่เที่ยง น, นี่คืออนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมละนิจจะสัญญาได้ น, นีคือละนิจจะวิปลาสได้เมื่อพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเป็นทุกข์คือทุกขานุปัสสนาก็ย่อมละสุขสัญญาได้นิจจะสัญญานี้สําคัญว่าเที่ยงสุขสัญญานี้สําคัญว่าเป็นสุข เมื่อพิจารณาเห็นเนือ ง, เนองว่าเป็นอนัตตาคืออนัตตานุปัสนาเนี่ยนะก็ย่อมละอัตตะสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละนันทิคือความเพลิดเพลินได้อะไรเมื่อเบื่อหน่ายก็หมายถึงนิพพิธานุปัสนาเนี่ยนะเมื่อคลายกำหนัดคือวิราคานุปัสนาก็ย่อมละราคะได้นิโรธานุปัสนาคือเมื่อทําให้ดับไปก็ย่อมละ สมูทัยได้ปฏิจุบนนสคานุปัสสนาแปลย่อ ม, มากว่าสละทิ้งเมื่อสละทิ้งก็ย่อมละความยึดถือได้นะมีความเป็นใหญ่คืออนุปัสสนาเจ็ดเนี่ยนะมีการละนิจจะสัญญาละสุขสัญญาละอัตตสัญญาละนันทิละราคะละสมูทยัยละความยึดถือได้อันนี้แหละจึงเป็นปหานะปริญญา ปหาเนปริญญาก็คืออนุปัสนาทั้งหลายนั่นเองเพราะอนุปัสนาทั้งหลายทํากิจละละอะไรละวิปปราชมีนิจจวิปรวปราชสุขวิปปราชอัตวิปปราชละนันทิละราคะละสมททุทัยละความยึดถือได้ตานละเหล่านี้เป็นตทางค้าประหารนะยังไม่ใช่สมุทเฉดเพราะว่าอนุปัสนาเฉดนั้นท่านยังถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นโลกิยะอยู่ อนุปัสนาเจดตัวนี้แหละที่ที่ถ้าบวกว่าถ้ามีกายเป็นอารมณ์เรียกว่ากายานุปัสนาถ้ามีเวทนาเป็นอารมณ์เรียกว่าเวทนานุปัสนาอนุปัสนาเ็ดนี่แหละถ้ามีจิตเป็นอารมณ์เรียกว่าจิตานุปัสนาถ้ามีธรรมทั้งหลายเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมานุปัสนาชื่อเต็มๆมว่ากายานุปัสนาสติปฐานพั้นตัวสติปทานที่เรียกว่าชื่อเต็มเตมยศเลยนะกายานุปัสนาสติปทาน เจริญไม่ง่ายเจริญไม่ง่ายใช่หก็ดูว่าทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิแล้วก็มคามข า, มขายาณทัศนวิสุทธิดีแค่ไหนถ้าวิสุทธิสททิฏฐิกังขาวิตกังขาแล้วก็มกขานะถ้าได้สามวิสุทธินี้แล้วสติปถานไม่ยากนะนั่นแหละคือหลังจากนั้นแหละจึงจะเป็นอนุปัสนาจึงจะเป็น สติปทานที่เป็นอนุปัสนาญาณที่ใกล้ต่อมรกผลนในเรื่องของอนุปัสนาเจเนี่ยจะได้กล่าวอย่างละเอียดในยานไหนพังคยานเป็นต้นนอนุปัสนาเจเนี่ยเรียนที่พังคยานถ้าลองไล่ลำดับวิปาาัสนาญาณทั้งหลายดูนะหนึ่งนามรูปปรเิเฉทญาณหรือสังขารปรเฉทญาณสองปัจจยะเปรเิกขหายานสาม สัมมาสนาญาณสอุทธยพยญาหาหพังคานุปสนาญาณ6พยตูปฐานัญาเจอาทีนวญาณ8นิพิธญายาน9มุญจิตุกรรมมยตายญาณ10บปฏิสังขานุปสนาญาณแล้วก็สอสังขารุปเปกขาญาณ12บออนุโลมยายญาณสิบา โพตรพูยานแล้วก็ส4บสี่ก็จึงเป็นมกคยานอันนี้เรียกว่าไล่ยานตามลำดับเนี่ยนะก็จำชื่อได้ก็เอาละเหมือนกับว่าเดินทางนะีจำชื่อจังหวัดใหญ่ๆก่อนก็ยังดีเนี่ยนะไปเดินจริงวันนั้นเดี๋ยวจ ะ, ะเดี๋ยวจะซึ้งเองนะเมื่อเดินทางจริงตอนนี้เรียนแผนที่ก่อนปริญญาทั้งสามอย่างเหล่านี้ดังกล่าวมานี้ พระโยคีผู้นี้ชื่อว่าเป็นอันได้บรรุยาตะปริญญาแล้วทีเดียวปัจจัยจนถึงสา ม, มารถกำหนดจำแนกแยกแยะจุติปฏิสนธิกรรมที่นำเกิดในพบใหม่จำแนกอย่างละเอียดเข้าใจเป็นอย่างดีนี้ชื่อว่าได้ยาตะปริญญาแล้วเมื่อตอนกลางวันว่างไงนะจูรโสดาบันใช่ไหจูลโสดาบันปิดอบาลประาติหนึ่ง อันน่ะใครที่จเจริญเจริญวิปัสนามาเนี่ยทํำท่าจะใกล้หรื อ, อยังถ้าใกล้ก็อนุโมทนาด้วยนะถ้ายัางก็จงรีบเพียรนะจงรีบเพียรเธออัจเชวะกิจมาตพังโกนชัญญามรนังสุเวความเพียรควรทํามันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเนี่ยนะถ้าเราไม่พยายามภาคเพียรที่จะเจริญตายไปแล้วจะเสียใจในภายหลัง ว่าทบุญน้อยไปนะปริญญานอกนี้เพ่งบรรลุได้ด้วยยานกำหนดสังขารและยานกำหนดปัจจัยทำให้สำเร็จได้แล้วก็บอกว่าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าแม้เพราะเหตุที่เมื่อตีรณะปริญญาเป็นไปอยู่มขามัขยานจึงจะเกิดขึ้นได้ก็ตีรณะปริญญานั้นมีต่อจาก ญญาาตะปรญญิท่านบอกว่าอันนี้นี่เป็นประโยคย้ำนะประโยคย้ํามาจากหน้าไหนคําเมื่อกี้ดึงมาจากหน้าไหนดึงมาจากหน้าหกสิบเจ็ดนับลงสี่บรรทัดว่าเพราะเหตุที่เมื่อตีรณปริญญาเป็นไปอยู่มัคคามัคคยานจึงจะเกิดขึ้นได้แล้วท่านก็อธิบายยาตะปริญญาตีรณปริญญาปาหานะปริญญา แล้วก็อธิบายอนุปัสนา7เป็นต้นแล้วก็มาสรุปอีกครั้งคือยกเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำตีรณะปริญญาทำไมจึงต้องกำหนดกลาปะสัมมสนาหรือทำไมต้องเจริญนยยวิปัสนาเนี่ยนะอันนี้คือเหตุผลที่ยกขึ้นมารับสมองเพราะว่าผู้ที่กำหนดปัจจัยเสร็จแล้วเนี่ยนะที่จะกาหนด แยกแยะว่าอะไรเป็นทางอะไรเป็นไม่ใช่ทางนั้นน่ะจะต้องหมั่นพิจารณาที่เรียกว่าตีรณะปริญญาให้ดีเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรพูดต้องการจะทำมค า, ามัคยะมค า, ามัคยานทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมพึงทําความพยายามในการพิจารณากลาบก่อนเถิดกลาบกลาบกลาปะอันเดียวกันขอขอขอถามพระอาจารย์ว่ากรลาปะตรงนี้คือ กลาปะที่เป็นกองกองของที่หรือเป็นกลาบกลาบของรูปอันหนึง่งหรือเป็นกองกองกองของกลาบกลาบเล็กๆความหมายตรงนี้คือไม่ค่อยเข้าใจคือกลาบโดยศัพท์นี้แปลว่ากลุ่มเนี่ยนะกลุ่มนะกลมกาบในที่นี้หมายถึงหมายถึงนยาวิปัสสนานยาวิปัสสนากับกลาปะสัมมสนา หรือสัมมสนญ า, านี่คือสิ่งเดียวกันคือตีรณปริญญาไม่ใช่กําหนดรูปกลาบานะไอรูปกลาบนั้นอีกอย่างหนึ่งผู้ที่กําหนดรูปมาเป็นอย่างดีก็สามารถแบ่งกลาบได้แล้วเช่นว่าผมมีห้ากลาบหรือห้ากลาบห้ารูปนะห้ากลมใช่ไหมกลุ่มอะไรกายทัศกะภาวทัศกะจิตอวินิโ婆คุรูปอุตวิธอวินิโ婆ครูปอาหาร อวินิ婆ครูปก็คือกรรมรูปที่เกิดจากกรรมมีสองกลุ่มเกิดจากจิตมีหนึ่งกลุ่มเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารการกำหนดผมตั้งแระแรกก็แยกแยะได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรการกำหนดในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงปัญญาที่เข้าไปกาหนดจำแนกแยกแยะยานคือปัญญาเข้าไปจำแนกไม่ใช่หมายคำว่าต้องเอาผมมา่าเข้าห้องแลบไม่ใช่ แต่หมายถึงว่าปัญญาที่เข้าไปวิจัยใคร่ครวนว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเขาถามพระอาจารย์ว่าแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเออต้องเออคือความหมายอาถรรพ์ของเขาคือเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นกลาบฮะเราจะรู้ได้ยังไงฮะคืออันนี้เนี่ยเป็นคําพูดภาษาไทยโดยสับเนี่ยนะเขาเขาฟังไม่ยากอยู่แล้วแล้วก็บาลีเนี่ยคำว่ากลาปะแปลเป็นไทยว่ากลุ่ม กลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมกลุ่มของรูปที่เกิดจากจิตกลุ่มของรูปที่เกิดจากอุจจตุกลุ่มของรูปที่เกิดจากอาหารแต่ถ้ากลุ่มในที่ที่นี้ที่กำลังพูดถึงหมายถึงกลุ่มของธรรมะทั้งหลายเช่นกลุ่มของขันที่เป็นอดีตกลุ่มของขันที่เป็นอนาคตกลุ่มของขันที่เป็นปัจจุบันกลุ่มขันภายในกลุ่มขันภายนอกกลุ่มขันหยาบกลุ่มขันละเอียดกลุ่มขันเลวกลุ่มขันที่ประณี๊กลุ่มขันที่อยู่ใกล้กลุ่มขันที่อยู่ไกล อันนี้คือกลุ่มในที่นี้เขาเราียกว่าโดยสับแปล ว, ว่ากลุ่มเหมือนกันแต่กลุ่มในกลาปะนี้ละเอียดนะกลาปะในตอนต้นนี่ละเอียดแต่กลุ่มตรงนี้พูดแบบว่าเนี่ยแท่งทึบเลยก็คือกลุ่มใหญ่ๆเลยเช่นกลุ่มอดีตนะั่นก็คืออดีตชาติไปเลยเนี่ยใหญ่โตมากต่อไปนี้เป็นพระบาลีในกลาปะสัมมสนาะเนี่ยนะคือเป็นข้อข้อความอันนี้ยกมาจากปฏิสัมพิธามมัช สัมมสัญาณว่าปัญญาในอันกําหนดรวมโย่อซึ่งทำทั้งหลายอันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าสัมมสนญาาอันนี้แหละที่เรียกว่ากลาปะสัมมสัญเนี่ยนะคือปัญญาในการกําหนดรวมโย่อซึ่งทำทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าสัมมสนญญาถามว่าเป็นอย่างไรก็ตอบว่า รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมกาหนดรูปทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิบกองเนี่ยนะโดยความไม่เที่ยงอันนี้จัดเป็นสัมมะสะนะการพิจารณาอันหนึ่งกาหนดโดยความเป็นทุกข์ก็จัดว่าเป็นสัมมาสะนะอันหนึ่งกาหนดว่าเป็นอนัตตาก็จัดเป็นสัมมะสะนะอันหนึ่ง รูปประคันเนี่ยจำแนกออกเป็น11กลุ่มก่อนใช่มกอง11บ1ออย่างแล้วก็คูณอันนี้จังคูณทุกขังคูณานตาก็คือ11คูณ3ก็เท่ากับวิธีการพิจารณาส3สาอย่างเนี่ยนยะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันถ้าขันหเสร็จก็จักขุใช่ทวาร6อารมณ์6วิญญาณ6ผภาษะ6เวทนา6สัญญา6 เจตนา6ตันหา6วิตก6วิจาร6อะไรอีกมีอยู่ในหน้า74นะไอ้ปยานตัวนั้นนะ9่ะแล้วก็ละแล้วก็9้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเนะี่ยตัวเลขบริ่มเนะี่ยอยู่ในหน้า74คือขัน5ทวาร6อารมณ์6วิญญาณหภาษาหเวทนา6สัญญ 6, า6นะเจตนา6ตันหา6วิตตกหวิจารห6ธาตุหกระสินสิบ โกฏาสาองยตนะ12บสท่าส8บดอินรีย่นะโลกิยะอินซีสิบเนะจริงจริงาสามพบสาพบสามอีกในหนึ่งพบสอีกในหนึ่งฌาน4ี่อั 4, 8, ออปปมัญญาสีา่สมาบัติ8องค์ของปฏิจจสมุบาติ12สอเ่สมาบัติก็มี4เพราะหมายถึงอรูปสมาบัติใช่ไหมสมาบัติตัวนั้นหมายถึงอรูปสมาบัติ ขระชาร์สี่มีข้างหน้าอยู่แล้วย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะในข้อหกรที่ว่าปัญญาในการกําหนดรวมย่อซึ่งทำทั้งหลายอันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าสัมมาสนญญาเนี่ยนะทีนี้ถามว่าแล้วข้อปฏิบัติในการกําหนดอย่างที่ว่ากําหนดว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายนกอก รูปปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประเนต้อยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็กำหนดว่ารูปนั้นอะไม่เที่ยงอย่างหนึ่งเป็นทุกอย่างหนึ่งเป็นอนัตตาอย่างหนึ่งมาศึกษาวิธีปฏิบัติเลยดีกว่าว่าท่านปฏิบัติท่านพิจารณากันอย่างไรไปดูหน้า6 9รอ่าไม่ใช่ดูหน้า78ดนะ ดูหน้าจจะได้รู้วิธีว่าเขาพิจารณากันอย่างไรในข้อ695กล่าวว่าต่อไปนี้เป็นคำประกอบวิธีการในการพิจารณานั้นปรารพโดยเกี่ยวกับว่าเป็นขันขันก่อนใช่ไหมว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต ป, ปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเล็ประณนีตไกลหรือใกล้พระโยคาวจรย่อมกาหนดรูปนั้นทั้งหมดว่าไม่เที่ยง จัดเป็นสัมมสนาคือการพิจารณาอันหนึ่งกําหนดว่าเป็นทุกข์ก็จัดเป็นสัมมสนาอันหนึ่งกําหนดว่าเป็นอนัตตาก็จัดเป็นสัมมสนาอันหนึ่งดังนี้ด้วยคําพูดเพียงเท่านี้พิสุรูปนี้ชื่อว่าได้ตัดตอนรูปแม้ทั้งหมดที่ได้แสดงไว้โดยคําพูดที่ไม่กําหนดแน่นอนว่ายังกินจิรูปังอตีตานาขตะปจุบันนังอชตังวาปหิตาวาอุลาริกังวาสุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรวาสันติเกวาเนี่ยนะ ก็คือโดยอะไรโอกาส11เอดี๋ยนีอดีตนี่นับ1โอกาสใช่ไหมอนาคตก็1โอกาสปัจจุบันก็1โอกาสภายในก็1โอกาสภายนอกก็1โอกาสก็เลยกลายเป็น11โอกาสวิธีแบ่งก็แบ่งอย่างนี้ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันนี้เรียกว่าอาติตะทุกะออขออภัยอติตะติกะหมวด3ที่เป็นอดีตก็คือมี3อย่างนัง่นคืหนึ อดีตสองอนาคต3ปัจจุบันเรียกว่าอตีตติกะแล้วสีที่เหลือก็เป็นสี่ทุกะเช่นอัจฉติกะทุกะภายในกับภายนอกแล้วโอราลิกะทุกะอันนะัโอราริกังวาสุกุมังวานี่เรียกว่าโอราลิกะทุกะส่วนหินังวาปณีตังวาหินังทิหีนะทุกะเนี่ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทูอะไรนะไกลและใกล้เรียกว่าทุเรติทุเร ทุกกะเนี่ยนะทุระทุกกะเนี่ยนั่ก็ติกะติกะแปลว่าหมวดสมทุกกะแปลว่าหมวดสองหมวดสมมีอยู่เท่ากับมีสมข้อหมวดสองมีสี่ก็เท่ากับเป็น8ดก็รวมเป็นสิบเอ็ดนี่ยนะคืออันนี้เป็นหลักการเรียกตามภาษาบาลีอะนะนั่นถ้าเรา จำอะไรมากไม่ได้ก็บอกว่าเออรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนะรูปทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะกำหนดได้แค่นี้ก็ยังดีก่อนอ น, นะเรียกชื่อเป็นภาษาบาลีก็ถ้าคิดจะบรรยายเมื่อไหร่ก็ค่อยไปค่อยจําเอากําหนดรูปทั้งหมดนั้นว่าไม่เที่ยงย่อมอชื่อว่าย่อมพิจารณาว่าไม่เที่ยงเอ๊พิจารณายัางไงว่าไม่เที่ยงยังไง ท่านบอกว่าย่อมพิจารณาไม่เที่ยงตามนัยะที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้าทีเดียวว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงเพราะอัตถะว่าสิ้นไปดังนี้ความหมายของคําว่าไม่เที่ยงมีความหมายว่าสิ้นไปสิ้นไปยังไงนะลงรายละเอียดเลือกข้ออีกว่าสิ้นยังไงพิกษุรูปนี้ย่อมพิจารณาว่ารูปอดีตใดรูปนั้นเพราะเหตุที่สิ้นไปแล้วในอดีตภพนั่นแหละ จึงหามาถึงพบนี้ไม่รูปในอดีตมันก็หมดไปแล้วในอดีตไม่ได้เลยมาถึงชาตินี้แล้วเพราะฉะนั้นรูปอดีตจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เคลื่อนมาสู่ชาตินี้เลยอันนี้อย่างที่ในพื้นฐานเมื่อที่กล่าวว่าอะไรนะขันห้าในปัจจุบันนี้ก็เกิดด้วยปัจจัยในปัจจุบันปัจจัยนี้ในอดีตแต่ขันห้าเป็นปัจจุบันอันะ คือขันห้าปัจจุบันก็กลุ่มหนึ่งขันห้าในอดีตก็กลุ่มหนึ่งขันห้าในอนาคตก็กลุ่มหนึ่งขันห้าในอดีตก็ไม่ได้เคลื่อนมาเป็นขันห้าในปัจจุบันขันห้าปัจจุบันก็ไม่เคลื่อนไปเป็นขันห้าในอนาคตสรุปว่าขันห้าในอดีตก็อยู่ในอดีตขันห้าปัจจุบันก็อยู่ในปัจจุบันขันห้าอนาคตต่อไปก็อยู่ในอนาคตต่อไปทีนี้ขันห้าในอดีตชาติมันก็อยู่ในอดีตชาตินั่นแหละไม่มาถึงชาตินี้หรอก ขันห้าชาตินี้ก็อยู่ในชาตินี้นั่นแหละไม่ถึงชาติหน้าขันห้าชาติหน้าก็อยู่ดับไปในชาติหน้านั่นแหละไม่เลยชาติต่อต่อไปนี้ถ้าลงละเอียดเอาเฉพาะรูปมาก่อนรูปในอดีตชาติเนี่ยนะเช่นรูปคือตาในอดีตชาติเนี่ยก็ดับไปในอดีตชาตินั่นแหละรูปคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายคือผมคือเล็บคือฟันคือหนังมันมีแล้วในชาตินั้นมันก็หมดอยู่ในชาตินั้นมันสิ้นแล้วในชาตินั้นถ้าเป็นมนุษย์เขาเผาเรียบร้อยแล้วเห็นไหย ถ้าเป็นลูกคนไทยเนะี่ยเป็นต่างประเทศอาจจะถูกฝังไว้จนเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วมั้งเนาะเป็นอาหารของหนอนก็สิ้นไปหมดแล้วในอดีตไม่มีเหลือมาจนถึงชาตินี้นะถ้ามีเหลือมาบ้างนี่จะว่างไงใจรีบผ่าตัดออกเลยนะไม่เอาไม่เอานะของชาติเนี้ไปไ่าชาติหน้าเอาบ้างไหมไม่เอานะเกิดชาติหน้าผ่าทิ้งเลยนะไม่เอานะก็ เอ๊ตอนนี้ก็ดูแลอย่างดีห่วงแหนธนุถนอมมากนะพอจะเอาเข้าจริงๆก็ไม่เอาอีกพันสรุปง่ายๆว่าไอ้คําว่าไม่เที่ยงนี่ลองคิดแบบหยาบที่สุดก่อนเท่าที่จะคิดได้ว่ารูปไม่เที่ยงมันก็ดับมันหมดไปแล้วในอดีตรูปอนาคตมันก็จะหมดในอนาคตรูปปัจจุบันก็หมดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละนี่คือวิปัสสนาจึงไม่ได้ล็อกว่าอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้น การพิจารณานี้ไม่ใช่หยุดอยู่แค่ปัจจุบันถ้าหยุดอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวอธิบายอะไรไม่ได้เลยพระไตรปิฎกแทบจะโละทิ้งหมดเลยเหลือข้อปฏิบัติอยู่อย่างเดียวแต่ว่าข้อปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนั้นกว้างขวางละเอียดและลึกซึ้งไม่ใช่เฉพาะแค่ปัจจุบันนาอารมณ์จิตที่รู้ปัจจุบันอารมณ์แน่นอนคือทวิปัญจวิญญาณจิตเจริญเป็นข้อปฏิบัติได้ไหมไม่ได้จิตชาติวิบาก จิตชาติวิบากเหล่านี้มาเจริญกรรมฐานอะไรไม่ได้จิตในปัญจทวารวิถีก็ไม่ใช่จิตที่เป็นกรรมฐานไม่มีใครเจริญปัญจทวารวิถีหรอกเพราะปัญจทวารวิถีไม่ใช่กรรมฐานพันจิตที่เป็นวิปัสสนานั้นจึงเป็นจิตที่เป็นมโนทวารวิถี